เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมก็กายเวทนาจิตธรรมนี้เองเมื่อ ยังมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับว่าเป็นบ้านเป็นหมู่คน ภยหญิงเป็นกามคุณหรือวัตถุ ก, กามที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย แต่เมื่อได้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นสักต์เว่ากายสักต์เว่าเป็นเวทนาสักต์เว่าเป็นจิตสัจต์เว่าเป็นธรรมระ ง, งับความใส่ใจกำหนดยึดถือต่าง ดังกล่าวกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เท่าหัวเป็นป่ากายปาเวทนาป่าจิตปาธรรมและเมื่อได้กำหนดละลายกายเวทนาจิตธรรม ลงไปวัดศัก์หรือว่าเป็นธาตุยกเอาปฐวีธาตุธาตุดินเป็นที่ตั้งแต่อันที่จริงก็รวมทั้งดินน้ำไฟลม จะยกเอาธาตุดินขึ้นเป็นที่ตังศักษ้ว่าเป็นธาตุดินที่เป็นแผ่นดินราบลื่นเป็นหน้ากลองไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาเป็นต้นอันเรียกว่าป่า เมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้สมาธิกับทั้งปัญญาที่สงบยิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ดังที่ได้แสดงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าก้มยอมใดสุญญาตาคือความว่างว่างจาก ความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนว่าเป็นวิญญาณกษัตริย์เอาวิญญาณกษัตริย์ทั้งหลายเป็นต้นและเมื่อได้ใส่ใจกําหนด ว่าเป็นแผ่นดินที่ราบลื่นเป็นหน้ากรองไม่กำหนดว่าเป็นป่าก็ย่อมได้สุญญาตาคือความว่างที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก แต่ว่าในชั้นแรกเมื่อตั้งใจกำหนดว่าเป็นป่าแม้จะได้สุญญตาคือความว่างว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นผู้คนแต่ก็ ยังมีไม่ว่างอยู่คือยังมีป่าและเมื่อไม่กำหนดหมายว่าเป็นป่ากำหนดหมายว่าปัทวีปัท ว, วีเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปเป็นหน้ากลอง ก็ในสุญญาตาคือความว่างจากความกนดหมายว่าเป็นป่าว่างจากป่าแต่ก็มาเหลือไม่ว่างอยู่คือเหลือเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบเป็นหน้ากรองนั่นเพราะฉะนั้นพระบรมศ า, ศาสดายึงได้ตรัสสอน ให้ไม่กำหนดหมายว่าเป็นแผ่นดินแต่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่กำหนดหมายว่าเป็นป่าไม่กำหนดหมายว่าเป็นแผ่นดินความใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นอากาศไม่มีที่สุดนี้คือเป็นช่องว่าง ไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดว่างจากแผ่นดินหรือจะกล่าวว่าว่างจากปฐวีคือแผ่นดินอาโปคือแผ่นน้ำเตโชคือไฟวายโยคือลม ว่างจากดินจากน้ำจากไฟจากลมทั้งหมดมาเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมทั้งหมดความใส่ใจกำหนดลงไปว่าอากาศ คือช่องว่างดังนี้ย่อมจะทำให้จิตสงบตั้งมัน่นละเอียดขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือว่างไปทั้งหมด จิตที่กำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดดังนี้ย่อมห่างไกลจากวัตถุอันจะดึงจิตใจให้ ยึดถือยิ่งขึ้นไปเพราะว่าแม้เมื่อยังใส่ใจกำหนดว่าเป็นปฐวีปฐวีคือแผ่นดินก็ย่อมใกล้ต่อปา่า ย่อมจะน้อมจิตไปกำหนดเป็นป่าได้งั้นก็ย่อมมีต้นไม้มีภูเขามีห้วยน้องคลองบึงเป็นต้นอันรวมเรียกว่าเป็นป่านั่นใจก็จะน้อมไปสู่ป่า และเมื่อใจน้อมไปสู่ป่าอีกขั้นหนึ่งก็น้อมไปสู่บ้านเป็นบ้านเป็นหมูค่คนเมื่อใจเข้าบ้านใจเข้าหมูค่คนกามในอกุศลธรรมทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นเมื่อ ได้หัดกำหนดให้ละเอียดขึ้นโดยลำดับมากำหนดว่าเป็นป่ามากำหนดว่าเป็นแผ่นดินจึงเพื่อที่จะให้ความกำหนดของจิตนี้ห่างไกลจากวัตถุซึ่งเป็นเครื่องดึง ไปสู่นิวรคือกามและกุศลธรรมทั้งหลายให้ห่างไกลยิ่งขึ้นจึงได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดว่าเป็นแพ่นดินมากำหนดว่าเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างว่างไปทั้งหมดไม่มีที่สุด ไม่มีแผ่นดินไม่มีป่าเมื่อเป็นดังนี้จึงได้สุญญาตาคือความว่างว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินแต่ว่าก็ยังมีความไม่ว่างคือยังมีอากาศนั่นเอง ห่องว่างไม่มีที่สุดนั่นเองยังเป็นอสุญญาตาคือเป็นความไม่ว่างอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนยิ่งขึ้นไปอีกให้ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินไม่ใส่ใจกำหนดว่า เป็นอากาศคือเป็นช่องว่างว่างไม่มีที่สุดว่างไปหมดมาใส่ใจกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอันวิญญาณ น, นั่นกล่าวเข้าใจง่ายๆก็คือ ตัวรู้หรือความรู้วิญญาณที่ตรัสแสดงไว้ในที่ต่างๆเห็นวิญญาณในธาตุหกได้แก่ธาตุรู้วิญญาณนัทธาตุรู้ วิญญาณในขันห้าได้แก่รู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นในเมื่ออาจตนะภายในอาจตนะภายนอกมีตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นมาประจบกัน ก็เห็นก็ได้ยินอันการเห็นการได้ยินนั่นก็คือตัวความรู้อย่างหนึ่งนั่นเองเห็นก็คือรู้เห็นได้ยินก็คือรู้ได้ยินเป็นความรู้ของวิญญาณนะท่าคือทานรู้ที่รู้ทางอายตนะ เพราะฉะนั้นในที่นี้วิญญาณจึงหมายถึงตัววิญญาณอธรรมคือธาตุรู้นั่นเองก็ได้หมายถึงความรู้ของวิญญาณอธรรมคือธาตุรู้นั้นซึ่งรู้ทางอายตนะอันมีลักษณะ เ็นเห็นเป็นได้ยินดังกล่าวเป็นตนนั้นก็ได้แต่เพื่อให้รวบรัดก็แสดงว่าความรู้หรือตัวรู้ความรู้หรือตัวรู้ไม่มีที่สุดอัน อากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดคือว่างไปทั้งหมดนั่นก็จะพึงกล่าวได้ว่าเป็นความว่างในภายนอกคราวนี้จึงไม่ใส่ใจกำหนด ถึงตัวความว่างซึ่งเป็นภายนอกนั้นมากำหนดตัวความรู้ในภายในว่าไม่มีที่สุดเพราะว่าอันความว่าง หรือช่องว่างไม่มีที่สุดอันเป็นภายนอกนั้นก็เพราะมีตัวรู้หรือมีความรู้อันกำหนดอยู่ในช่องว่างอันไม่มีที่สุดนั่นเองถ้าไม่มีตัวรู้ หรือไม่มีความรู้ซึ่งเป็นภายในแล้วก็เป็นอันว่าไม่รับรู้อะไรท้งนั้นแม้ว่าจะมีทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างในภายนอกจะมีป่าจะมีแผ่นดิน ตลอดจนถึงมีอากาศคือช่องว่างแต่ว่าถ้าไม่มีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เป็นความรู้ของแต่ละบุคคลอยู่แล้วก็รู้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าที่รู้ไอ้นั้น ก็เพราะมีธาตุรู้มีตัวรู้มีความรู้อยู่จึงรู้อะไรอะไรได้และเมื่อธาตุรู้ตัวรู้หรือความรู้มากำหนดอากาศคือช่องว่างว่าไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมด จึงรู้รู้ว่าเป็นช่องว่างไปทั้งหมดไม่มีที่สุดฉะนั้นจึงไม่กำหนดสิ่งที่รู้คืออากาศนั้นมากำหนดตัวความรู้ข้างใน คือนำสติมากำหนดตัวรู้ความรู้ซึ่งเป็นภายในนี้ไม่กำหนดสิ่งที่รู้คืออากาศมากำหนดตัวความรู้หรือตัวรู้ ซึ่งตั้งอยู่ในภายในและแม่ตัวรู้หรือความรู้นี้ก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันกับอากาศที่ไม่มีที่สุดมีตัวรู้หรือมีความรู้ที่ไม่มีที่สุด จึงกำหนดอากาศคือช่องว่างว่าไม่มีที่สุดได้อากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้นจะรู้ได้ก็เพราะมีตัวรู้หรือมีธาตุรู้มีความรู้ที่ครอบครุม อากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดนั้นเพราะฉะนั้นแม้ตัวความรู้ก็เป็นสิ่งไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอากาศที่ไม่มีที่สุดเมื่อเป็นดังนี้ความใส่ใจกาหนด จึงน้อมเข้ามาถึงตัวรู้หรือธาดรู้ความรู้ที่เป็นภายในว่าไม่มีที่สุดดังนี้ก็เป็นสมาธิจิตอันประกอบด้วยยานคือความอย่างรู้หรือปัญญา ซึ่งเป็นตัวรอบรู้ที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเมื่อกำหนดได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้สุญญาตาคือความว่างว่างจากบ้าน ผู้คนว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินว่างจากอากาศไม่มีที่สุดแต่ว่าก็ยังมีความไม่ว่างคือตัววิญญาณคือตัวรู้หรือธาตุรู้นั่นเอง เพราะฉะนั้นพระบรมศา ส, สดาจึงได้ตรัสสอนให้ไม่ใส่ใจกำหนดแม้ว่าวิญญาณธาตุรู้ตัวรู้หรือความรู้ไม่มีที่สุด มากำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีความกำหนดดังนี้เป็นความกำหนดที่ทำให้ไม่มีกังวลห่วงใหญ่ เพราะว่าเมื่อเพ่งดูเข้าไปในอากาศที่ไม่มีที่สุดก็ดีในตัวรู้รู้หรือความรู้ที่ไม่มีที่สุดก็ดียอมไม่พบว่ามีอะไร แม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีแผ่นดินแผ่นน้าลมไฟอันเป็นวัตถุแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีป่าแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่ง ไม่มีบ้านไม่มีผู้คนแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอากาศคือช่องว่างว่างไปทั้งหมดและแม้อากาศคือช่องว่างนั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะว่า มีแต่ตัวถาดรู้หรือตัวรู้หรือความรู้อันไม่มีที่สุดและแม้ตัวถาดรู้ความรู้ตัวรู้นั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะเป็นความว่างอะไรสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อกำหนด เข้ามาถึงขั้นนี้ก็เป็นอันว่าได้ความว่างอันเรียกว่าสุญญาตาคือความว่างว่างจากบ้านว่างจากผู้คนว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินว่างจากอากาศที่ไม่มีที่สุด ว่างจากวิญญาณที่ไม่มีที่สุดแต่ว่าก็ยังมีไม่ว่างอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ ไม่กำหนดอ า, ารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นมาตั้งทำความสงบอยู่ในภายในไม่ต้องกำหนดว่าน้อยหนึ่งน <an> ิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะความกำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นก็ยังเป็นตัวอารมณ์อารมณ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นจึงไม่กำหนดอารมณ์ ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นมากำหนดตั้งสงบอยู่ในภายในความสงบที่ตั้งอยู่ในภายในนี้ก็ละเอียดประณีต ไม่มีอารมณ์ว่ารูปไม่มีอารมณ์ว่าเสียงไม่มีอารมณ์ว่ากลิ่นไม่มีอารมณ์ว่ารสไม่มีอารมณ์ว่าผลธระสิ่งที่กายถูกต้องและยังมีธรรมารมณ์ อารมณ์คือธรรมะเป็นที่ตั้งอยู่เป็นอย่างละเอียดไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่ผลไม่ใช่ผดทพภะเพราะฉะนั้นอาการของจิต ที่เป็นสัญญาคือความกนูหมายจึงสงบลงไปเป็นสูดมากไม่มีรูปประสัญญาความกนูหมายว่าเป็นรูปสัทธสัญญาความกนูหมายว่าเป็นเสียงคันธสัญญา ความกนหนดไว้ว่าเป็นกลิ่นณัศสัญญาความกหนดหมายว่าเป็นรถผลถะพะสัญญาความกนหนดหมายว่าเป็นผลธภพะ ส, สิ่งที่กายถูกต้องและตลอดจนถึงธรรมสัญญาความกำนหนดไว้ว่าเป็นธรรมมรมณ์อย่างหยาบก็ไม่มีเป็นอย่างละเอียด สำหรับเป็นที่หมายอยู่ตั้งอยู่ในจิตใจและเมื่อเป็นดังนี้จึงเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็คือว่าไม่มีรูปปัจสัญญาสัญญาเป็นต้นไม่มีก็ไม่ใช่คือว่ายังมีอยู่แต่ว่าน้อย ละเอียดมากเป็นธรรมสัญญาอย่างละเอียดที่กำหนดอยู่เมื่อกำหนดถึงขั้นที่ตรัสสอนไวน้นี่ก็เป็นอันว่าได้สุญญาตาคือความว่างมาโดยลำดับว่างจาก บ้านว่างจากผู้คนว่างจากป่าว่างจากปะทวีแผ่นดินว่างจากอากาศว่างจากวิญญาณว่างจากอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งมาตั้งสงบอยู่ในภายในเหมือนอย่างไม่มีสัญญาอะไรแต่ว่าก็มีสัญญา คือความที่กำหนดหมายอยู่ดังนี้อันเป็นตัวสัญญาความกำหนดหมายกำหนดหมายอยู่ว่าไม่มีอะไรตั้งสงบอยู่ในภายในก็เป็นความว่างที่ตรัสสอน อีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตามที่ตรัสสอนไว้นี้เป็นการตรัสสอนให้ฝึกหัดปฏิบัติทำสมาธิพร้อมทั้งได้ปัญญาคือความรู้ไปด้วยกันจิตก็ได้สมาธิที่เป็นตัวความมันและได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้ และเมื่อละเอียดยิ่งขึ้นสติก็ตื่นสว่างโพรง่งยิ่งขึ้นปัญญาก็รู้จแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจิตก็ตั้งมั่นสงบและผ่องใสแจ่มใสยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ ปราศจากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นความสว่างโพรงเป็นความตื่นเป็นความผ่องใสใจอยู่ภายในเป็นความตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนี้ก็ต้องอาศัย การปฏิบัติทางสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมาโดยลำดับนั่นเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป